ความภาคเพียนขนโปกผ้าหูหนวกตาบอดทั้งหลายสะสมกันยุ่ง ห, งหงวัวหัวสมกันเข้าไปปูด บ, บ, บุญพิไรลำพันตั้งแต่เรื่องปกติ จ, จะพักภาาจากไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของท่าของขันแต่ไม่ย้อนมาคิดถึงหนึ่งกิเล มันผูกพันอยู่ภายในใ จ, จิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลีคลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจมือที่ไหนมันม่วสุมกันแต่เรื่องเดียวปฏิศาท่านไม่สนใจกัาใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบ ทีนี้พวกบ้าเห่านี้พอกนําเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจา้าอกาบทูลว่าพระภิกษัตริมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเนเป็นพวกพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พินัยะที่เราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้นหาว่าพระภิกนั้นิ เป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสตรารับสั่งมาจะรู้เต็มประเทศไทยรับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุก อ, อย่างให้ได้เข้าใจกันมาแล้วสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็ับจถามแล้วว่าไหนพระติดสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรับพระดีต่อสถาคตเป็นความจริงแค่ไหน ข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่จะเข้ามามั่วสุมมดูกับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพานอย่างแน่นอนจึงรีบเบ่งขนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประทุนอยู่หากพิจะพอหลุดพ้นไปตามสเสดจได้ก็ตามสเสดจได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเบ่งขนขวายต่อความาเปลียนยิ่งกว่าสิ่งอืดด่นใด นั่นตรงประธานสาธุการ์สามหน ด, ดีแล้วกิษสะดีแล้วนั่นอย่างนี้เลยชื่อว่าบูชาธรรมสาคุณนั่นบดรปฏิบัติธรรมที่ควรจะทมชื่อว่าบูชาธรรมาคุนั่นฟังสินั่นคือความคิดถูก นี่เรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี่ก็จุดนี้ก็จุ ด, จ, ดจะตายอยู่แล้วนี่มันไหลมันจะตายก็รีดเด้งสิพอเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งทอด น, นี่มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ค้างมันไม่ออกแกะมันไม่ออกอะมันจะไปะเหยียบย่ทำทาลาย บากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสอันเป็นฝ่ายต่ํานั้นมันก็จะฉุดล่าลงไปทางต่ำํำเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกมีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปนด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกเพราะความพากเพียนนั้นเป็นทุกข์ที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นลงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้ว แต่สินฝ่ายไหนจะแพ้ด้วยชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลําดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ค่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นมอบลาดลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอํานาจของตัปปัธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสําคัญนุนกันไปโดยลำดับธรรดาทุก ประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบชิ้นลงไปได้อถ้าทุกข์ให้ทุกแบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตาคาอย่าไปมัวแบบหามทุกข์จุดในวัฏจกักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้น้อยยิ่งง่ายจังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะ ทุกในการต่อสู้กิเลสนี้พระพุทธเจ้าพาทุกมาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดเขาพาทุกมาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างไปที่อื่นปีแวบประเทศไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโรคปรุงลังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกรอาเป็นหนามเหยียบย่ามันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้น ที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดลราออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมาติดหลังติดคอไปเลยอืมต้องการล่มที่ไหนล่มไปเถอ่อยิ่เหนืมันตายตัวเองเหมือนพวกโธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มายิ่เหนยมันก็ตายรพร้อมๆกันละเราท้าข้เตรียมพร้อมให้แล้วเสื้อก็มีหมอนก็มี มัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยอบางอะไกัญชาก็บอกกันชาเคราะครอบมัดให้เลยติดป่าเลยคราะห์ครอบแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางผอความพ้นทุกข์ที่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์นะใครจะสงสารเมตตาแบบ ศาต์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้ไ่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องคร่ำสอนก่อนอื่นเลยแต่นี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิบัตาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือนี้ขึ้นปา่าบกกิเลสกิเลสกลัวเฉ พ, า ะ, ะเพาะเครื่องมือนี้เท่านั้น เอาให้มันจริงมันต่างลงไปผมก็เคยพูดใน ห, หมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันจริงเราปลีบปลีบจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทํามาอย่างนั้นจาพูดเออหนึ่งดีเอสนี่ก็ดีเรื่อยไปอย่างผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทําอย่างนั้นได้ผลบางทีเอามาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั่นทํานี่ก็ก็แค่ๆกันงท่าน ไอเราเดินยังกลมกันจะตายแม่ยังไม่ได้เรื่องเ ห, หลยเรานั่งก็ น, นาก็เอาจะเป็นยังไงท่านอย่างนี้ท่านท่านยังเห็นสบายสบายเราทําความเพียรแทบตาเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหายเบื้องต้นนะลองลองนั่งพักสบายๆสยกักหน่อยเลยถึงไม่ทําอะไรก็ถ้าทําพักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้น มันกวนน่ะทีนี่เรื่องมันกวนมันกวนขึ้นเรื่อยเรื่อยอืมเราทําอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นยังไงเมือเป็นงั้นก็จับมัดคอเข้าทางกรมทางกรมเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนะดีอย่างนั้นนะเห็นไหมจับจับหยาดปิดจบหยาบมันก็ต้องเลยใช้ความจับหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ะ โอ้โหลำบากจริงๆ ม, มันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความห ย, ยาบๆของเราทำอย่างห ย, ยาบๆของเรนเนี่ยนี่ย <Yeah. S 1> มันบอกมาโดยลำดับทําำรูปคทําไปสบายสบา ย, บายเหมือนหมู่เพื่อนทงหลายเราทําไม่ได้มันต้องหนักเอากันหนักมือหนักมือหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องหนัก หนักมือมันดังที่เคยพูดในฝังแล้วไม่เรื่อยนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นนี้ใตัวเองอืมขึ้นมาีขึ้นเทวดาขี้เล่นแล้วมันมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละจะไปทําแบบบางบางใส่มันเลยมันจะหัวล่อเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยคัมกําแพงมันนั้นหนากับลูกระเบิดปาเข้าไปยว้มันแตกกระจายหนึ่งเราจะไปออก คนปีปปปกปูปะเคาะปอกๆได้เลยแพงนั้นหนาโยนระเบิดเข้าไปโตมันมันทางตรายนี่กระทบหนึ่งไปดิสติกําลังของปัญญาความภาคเพื่อนเรามีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปเอาตายกัมันเห็นนี่วะอืมไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือ น, นักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้ถ้าไม่ตายก็ชนะไม่ชนะอาตายแต่สงคราม ทางโลกค้อนมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่นมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนีย่ยเลยมาตาชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่เนี่ยแต่ทางความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะไปะโดยลำดับถึงไม่ถึงชายชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชายชนะไปะโดมลาดับเพราะความเพียรนี้เพราะความทุกขในการประกอบความเพียรนี้ ไม่สงสัยนี่คิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนมันก็ทําได้เนี่ยคือมันไม่ได้ําหนิ้ตัวเองนะ่ะมันอิจยอนะคิดย้อนหลังลมันละอาคือทุกวันนี้นมันทําไม่ได้เนี่จะทําได้ยังไงกำลังบางชามันก็ไม่มีอต่ทำอย่างนั้นมันตายจริงเนี่ยทุกวั น, น กำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกําลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูที่จะว่าเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากําลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปประตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันไม่มีเต็มหัวใจที่ว่าไรมันไม่มีจุดไหนล่าเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกเท่านั้นนี่ไงมืันตั้ง ความมุ่หมายว่าอย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้เลยมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจาเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้น่นแต่เป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกไหมขนาดนั้นฟังดอ นานย้นหลังมันโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทําได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่็น่ดงนั้นพอดีอยไหมคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันเป็นยังไงอ่าค่าสึกกับการลบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดไหนค่าสึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปตามหมดใดก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกําลังเข้าไป จนกรทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑมาความเพียรนมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี่ค่อยหมุนไปหมุนไปหมุนไ ป, นไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นมาทุกข์นอทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จึงหนิ่งเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลา ม, มาพักลบชั่วขณะอยู่โหมันจะตายหายใจเขมียวเขมียว อันถึงต้องคิดือเราคิดเราคาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดลอเข้าไปเท่าไรอันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความขาดหมายนั้นไม่ใช่ความกินที่เป็นอยู่ทั้งที่ปรากฏอยู่ลนนี้นี่มันมีเวลาว่างได้งเมื่อะทุกขนาดไหนที่นี่ ทุกข์สิหัวใจทํางานไม่ทุกข์เลยหรือมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมัน่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุ ก, ทกมุ่มันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเสียอๆทุกวันหนูไมันาในเรื่องเนี่ยแต่ว่าเลวที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้ กำลังของจิตม <laughs> like, ันก็ไม่ีอยู่เฉยเฉยที่วางไงความม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแคลวพาวๆหรือว่ามันออกแสงแคล้วพาวพาวก็ได้หรือว่าผับๆๆก็ได้เหมือนเดิมขนาดที่บสมมุติว่าเรานั่งมันทุกข์มากมันกระชู้นไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นนะเพิ่งเห็น มันมันจะไม่แข็งแกร่งยังไงเพราะหน้าสติแล้วจะขึ้นมาลุ ก, ลกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งทั้งที่มีสติอยู่นี่เป็นไปไม่น้เหมนันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบ <c oughs> เปียงว่าเราเนี่ยตั้งไวขนาดนั้นแหละ <c oughs> กาลังต่อสู้ทุกเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจตังสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทั้งหงายก็ตามเถอะ พอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กําหนดกันไว้หรือจนทะลุอืมันก็ไม่เคยสลอัวคาดว่าอย่างนั้นแหละคาดบ้าบ้าบ่กระทุกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงไม่เป็นอย่างอื่นแต่ม่ามันแข็งมันแข็นจริงความมุ่งมั่นมันมากกําลังจิตมันมากธาตุขันมันก็อํานวยกําลังจิตก็มาก แต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็มานยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอยู่นี้มันก็คลองกระจกหกล้มกลมกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้แกาลังจิตก็ไม่มีเนี่ยมันนั้นมีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นเราจะมันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งยังอยู่ทุกวันนี่ก็อยู่ไม่ว่า เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่เห็นมุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกของสารเขาเนี่มันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูได้ทำแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งขอไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจด้วยปฏิบัติไปก็รู้เองแต่ ถ, ถึงขั้นมันรู้ทำไม เป็นได้เหรอสันติติโกรประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัติมันแหละพระพุทเจ้าไม่ทรงผูกขันทําให้รู้ให้เห็นไม่จริงอย่าไปคิดเรื่องอํานาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตําหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท่อถอยไปตําหนิมันอน้อยมากมันก็เต็มหัวใจอยู่นี่อกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไรไม่มองดูมันบ้าง ที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจกนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดๆไปง่ายนั่นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนอแล้วต่อสู้เดียรอยู่เวลานี้เราไม่มีกําลังเรามาอำ น, นาจวาสนาเรา ม, มาต่อสูอ้กับวิเดียรได้ยังไงก่อนเราก็นักวาสนาแล้วเนี่ยกําลังต่อสู้วิเดียรอยู่เ ล, ลวลาหนี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกําลังที่จะมาต่อสู้แล้วมนแผลช่องหนึ่ให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกนี่เราไม่แพ้มันนา นอกจกจะฟาดทุเดชให้มันแผล่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาอเพลิกปุ๊บปับปุ๊บปั บ, ป บ, ป บ, ปบอนี่เรียกว่าปัญญา้งั้นไม่ทันนะอุบาวิธีการที่จะแก้ทุเดือดไหวพริบ ป, ปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาไงนั้นแก้กันไง น, นี้ปุ๊บนี่เรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรอบกับนักหลบมันต่างกัน ผมก็อดเป็นออกตามนิสัยในหน้าเพราะเรามันเคยทนะํามาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลวงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทําลายเหตุผลทําลายความจัดความจริงของตัวที่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันขาดไปเลยตายก็ตายไปเลย อย่าไปคิดปัญหาจุดหมายปลทางไม่ได้นั่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมกับความทุกข์เพราะความเพียรที่จะฆ่ากิเลสมัน อ, อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันที่จะน่ากลัวมากกว่ากันคือความทุกข์อำนาจพราะำนากิเลสมันมากกว่ามันน่ากลัวมากกว่าความทุกข์ทางความเพียรที่จะฆ่ากิเลส มันาโลกะธาตุเหมือนไม่มีอะไรมันก็เห็นคือมีตุรกิจดรงเดียวเนี่ยรีบๆไปหลอกเจ้าของตลอดเวลาโอ้โหเป็นภาพเพิ่งวันยั่งค่ําคืนยังรุ่ง ข, นงงขันเนี่ยแต่มันมีตัวส่งเสริมมีตัวหนุนมีตัวเจ้าของบังคับมันให้มันแสดงตัวนี่มันไม่เป็นขันล้วนๆเหมือนขันพระหรหันท่านดิขันอันนี้มันขันของจิเลตเป็นเครื่องมือจิเลตจิเลตเอานำออกใช้ทุกเวลาปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ ดูที่ดวงใจมันเป็นอย่างนั้นตลอดมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ใจดวงเดียวนี่หลอกแต่ของรอบด้านไปอดีตก็จนสุดะกําลังที่จะไปไปอนาคตสุดกําลังแต่ความจริงไม่ทราบเป็นยังไงไม่เห็นในเรื่องหากคิดหากปรุงหักแตง่งหากเชื่อความคิดเพลินไปตามความคิดตัวเองดีชั่วมันก็เพลินไปตามมันพอใจด้วยกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งเรื่องของสุขของทุกทข์ที่เกิดเึ็นเพราะขันมันตุ้งออกไปพรอะน้ำกิเลส ทำให้หลอกเราได้ตลอดเวลานี่ที่มันเป็นความเพี่ยนไม่ได้มันมีแต่ดูหนังตะลงุงมันหลอกนีเผลอดูอย่างนั้นดื่มเนื้อดื่มตัวไม่มีสติปัญญาที่จะไปจดจ้องดูเรื่องของมันเพื่อแก้ไขดัดแปลงเรื่องนี้มันเบาบางลงไปได้ น, น่นขั้นสติปัญญามันพ อ, พอตัวแล้วมันถึงจะเห็นได้ชัดที่เดียว เพียงขั้นสงบก็พอทราบได้วิกิจที่เคยวุ่นไวายไปรุ่นราคะตัำหาต่างๆมันรู้ได้พอสงบแล้วมันก็ไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นเอเอสบายบ้างสิไงจากนั้นก็เพิ่มความสงบเข้าไปเพิ่มด้านสติปัญญาถากถางไปเรื่อย ๆ, ๆไปต่อไปมันก็เป็นกิ่นเป็นก้านแตกแขนงไปสติปัญญาแตกแขนงไปเรื่อยส่วนสมาธิี่เวลามันกล้าเ ข, ข้าถึงขั้นปัญญาอย่างเต็มที่แล้วสมาธิมันเหมือนไม่มีนะ มันไม่มาเพลินกับสมาธิละงานแก้กิเลสเป็นงานที่เพลินมากกว่าเพราะมันติดพันกันไปนั่นกลายเป็นอุทะจักไม่รู้ว่าอุทะจักคืออะไรก็คือความเพลินในการค้นการพิจารณา็นไม่หยุดยั้ยงพักก่อนอ่อนตัวบ้างเลยนั่นแหละเรียกว่าอุทะจักเราไม่ทราบแต่ก่อนอุทะจักคืออะไรในตำราบางแห่งว่าอุทะจักกุกุจัก ความฟุ้งซ่านน้ำคัญไปแล้วเลยเป็นแบบนิวรห้าไปเสียอุทจจานี้ไม่ไม่ใช่อุทจจารของนิวรหา้าเป็นด้วยจัตที่มีความมุ่งหมายต่างกันอันนี้เพลินในความเพียรเพลินในการแก้กิเลสแต่ว่าเพลินจนลืมเวลาเวลาที่จะพักผ่อนจิตใจอันนั้นมันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสปัญหาจริงๆนั่นอันนี้เพลินไปตามหน้าของธรรม มันผิดกันเนี่ยอุทัจจะอุป ร, ราคะอูป ร, ราคะมันเป็นภาพอยู่ภายในจิตอุป ร, ราคะยินดีไม่ใช่ว่าราคะกำหนดเหมือนอย่างแบบโลกสงสารสามัญธรมรมดาทั่วไปกำหนัดกันนะแต่ว่าไม่มีคำอื่นที่จะเหมาะสมนรรมชาติทั้งว่าความอุป ร, ราคะคือกำหนัดในรูปอูป ร, ราคะกำหนด หมายถึงความยินดีนั่นแหละยินดีอย่างละเอียดเนะท่านั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นราคาตันหาแบบโลกของสารนะแต่มันไม่มีคําที่จะมาช้าเท่ากับชา้านั่นแหะให้มันเข้าถึงความจริงมันก็รู้กันเองความยินดีเนี่ยท่านเรียกว่าราคยังมีความยินดียังมีความผูกพันกันอยู่กับอันนั้นั่นก็รูป ร, ราคะที่มันเป็นภาพอยู่ภายในจิตรูป ร, ราคะกับยินดีในสุขเวทนาะเนะี่ มันไม่มีภาพอะไรปรากฏมันว่างไปหมดมันก็ยินดีในสุขเวทนาของตัวเองมันอภูปราคา่ะมานะก็ถือความรู้นี่แหละที่เต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยถืออันนี้เองท่านก็แยกเป็นเป็นมานะเก้าเอานี้ออกเป็นเขี่ยวเป็นเขาขึ้นมายกปรียบลายนั่นยกปรียบคนนี้คนนั่นจะต่ำกว่าเราหรือเสมอเราหรือสูงกว่าเรา อั่งนี้เป็นต้นคืออันหนึ่งอันหนึ่งนี่แยกเป็นอันสามคือต้นต่ําของเขาสําคัญว่าเสมอเขาหรืสูงกว่าเขาเนี่ยต้นเสมอเขาสาคัญว่าต่ําว่าเขาหรือเสมอเขาที่สูงกว่าเขาต้นสูงกว่าเขาสําคัญว่าต่ำกว่ า, ว า, ว า, วาขเขาี่เสมอเขาเนี่ยแม่นะอันตัวเนี้ยตัวความรู้อันนี้เทียบอุตจรบบาระดังทีว่า วิชากับปิจวัตอะไรก็ น, นี่แล้วิชามันตัวลุลูนไม่รู้ที่โยออกไปอวดที่นั่นกลายเป็นมาหน้าก้าวอาแต่นั้นนะเขามีนี่อะไรนี่มีอะไรที่สามารถยกออกมาอวดไม่เห็นมีนี่เพราะน่าจะสมมุติจะไปอวดกับสมมุติได้อย่างไ้อื้อ มมุมดมีอันเดียวเท่านั้นจะเปสองกับอะไราพอจะเป็นคู่แข่งกันสมมุติเขก็เป็นอันหนึ่งทางหาของเขาแล้วพิจารณาแยกตัวจากสมมุติเลยจะไปสู้กับสมมุติอะไรไปแข่งกับสม ม, ม, มตมิอะไรมาแข็งมีแต่ผมบ้าครับผมบ้าแข่งอะไรมาแข่งนี้เอโก้อันเดียวเทนั้นเอกเนี่ยฟังดิถึงทา อันเอกและอันเดียวจะไปแข่งกับอะไรอีกอันเดียวถ้ามีสองจะเป็นคู่แข่งสมมติก็ตัดเอาอหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วเราเอาละมัดแข่งมันจะไปแข่งกับอะไรนี่เอางันแล้วทุกเรื่องความเพียรก็หมดที่ทำไงเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิอาวฟ้านจนฝ่าเท้าแตกโง่ไม่ทําท่านจะไปทไาาําอะไรจนฝ่าเท้าท่านแตกจะหาอะไร ถ้าแต่ก็เพิฟ่ฟาดกับยี่เหลี่ยนต่างากนี่ี่เหลียยห่ยมันตายหมดแล้วไปฟาดก็บอะไรตีลมตีแรงก็กระบะาบ้าลเลยพี่ถึงขั้นรู้ไม่รู้เองสันติทิโกตั้งแต่ท่าทาขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดนอกเหนือไปสันติทิโ ก, โกม่น่าสันกเป็นขั้นขั้ลําดับลําดับสุดท้ายทางกาสะดจจวกความว่าปจิบัตเวทวัววิญญาณมัรู้ต่างหากรู้เฉพาะตนนิวาผู้หลงมันรู้ไม่ได้ท่านถึงบอกว่าวิญยูวิญยู่อันท่านารู้ทัางหากรู้เฉพาะตน หมายถึงผู้รู้รู้เฉพาะตนนั่นก็หมดเกี่ยหมดเขาแล้วทีเอาอะไรออกอวเอาอะไรไปเที่ยบเที่ยวกับอะไรเที่ยวกับใครต่างอันต่างกินอยู่นั่นแล้วก็จะทบกันได้อย่างไไปแข่งกันนด้อย่างไรพามันเอากิานรเราจาังเวลามารวมศึกษาอันเป็นของไม่แน่นะอยู่กับครูบาอาจารย์ มีความค่าผันแปรกันไปได้ทั้งเป็นทั้งตายเป็นได้ทุกรูปทุกนามเมื่อมีอากาศให้ทำดิดเด้นผันฝ่ายคุ้มเด่นนี่กําลังตาอะไรก็ซุดลงไปสุดลงไปอย่านี่ยตามนิสัย้าของมันโดดนี้ไปอยู่คนเดียวนะนี่ก็เพราะเห็นแต่หัวใจนั่นเองหัวใจแต่ละด ว, ดวงดวงมีคุณค่านี่เราก็ทนเอา ล, ลำทางตามนิสัยเจ้าของ มันเป็นอย่างนั้นนะหา อ, อยู่สบายก็มาที่ไหนก็ไปเดินอยู่โรงยาไม่สนใจกับมันอายาบำรุงบรงเดี๋ยวโหฝาดเขาป่านเดียวไม่ได้ปองหมาดีถึงเดียแล้วสบายไปเลยมันจะเจ็บทั้งปงหมาก็เป็นสินี่อยู่ในโลกอันนี้โลกเขาเป็นทั้งโลกใช้ไหมแต่วิเศษแต่เราคนเดียวไม่เก็บไม่ปวดเป็นอะไรมีเหรือนี่สัตว์เต็มป่าเต็มโลกเหล่านี้เขามีโรงพยาบาลมีอยู่มียา มีโมบนีหมอที่ไหนเขาทาไมเขาไม่สูญพันธุ์เขยังมีอยู่ได้ทำไมเราเป็นคนทั้งคนจะอยู่ไม่ได้หย่งนั้นสู้สัตรูไม่ได้ที่แหนยุงพยา o r a ความรับผิดชอบในวงคณะมันก็เป็นภาระอันหนึ่งแม้มายึดไม่ถือมันก็เป็นภาระอันหนึ่ง วางดีต่อไปแล้วมันเป็นอันหนึงหน่งความรู้ <ka> สึกอันนี้มันจะเปลี่ยนทันทีอยู่ในวงหมู่คณะความรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยออกจากวงหมู่คณะไปแล้วความรู è, ม้สึกมัน ต, ต้องเป็นทั้งมันอย่างนั้นมันรู้สึกมันเองนี่ไปที่นี่เห็นสิ่งนั้นไปที่นั้นรู้สิ่งนั้นไปน้นรู้สิ่งนั้นที่ไม่เหมือนกันความรู้จะเหมือนกันได้ไงมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง ในป่ามันสบายกินแะไรมก็สบายไปหมดสัตว์เขากินอะไรก็กินได้เลี้ยงตัวเขาได้อาหารมนุษย์คืออะไรเนี่ยมนุษย์เขากินกันได้ยังไงเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แล้วก็กินได้ไม่งั้นเขาเขาอพอยังชีวิตนี้เป็นไปวันหนึ่งหนั้ น, นมีอะไรทมิตริสุสในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรกินก็พอเยายาธาตันี่เป็นไปเท่านั้นจะเอาหาความมิตริสุศักดิ์สิทธิ์อะไรจากอาหารมีเหรือถ้ามีจากอาหารแล้วมนุษย์นี่เรานี่กิน เี่ยมออกินอ่อกินอะไรกินกี่ปาาทะกินพิษณาไม่มีใครเกิดมนุษย์มันควรจะวิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายไปนานแล้วแต่มันกระจอยในกลองทุกเหมือนกนนนนนันเนี่ยนี่นานกันสิมาเป็นอย่านั้นแล้วมันจะไปติดอะไรมันติดอยู่ได้กินได้เป็นทั้งนั้นแหละเครื่องอาศัยไปทำตื่นอะไรก็ขึ้นแบบนี้ตื่นยู่จะเรียกว่าฉล า, าดเหลือสอนจอนนาานนอ้าของเป็นฉลาดนี่จะไปโง่เหรือ รู้ลแล้วใหครั้งที่สองอ่ท่านบรรยายนหนจะอธิบายหมูกคนบางกอธิบายกคน